ต้มไม่มีเสียง <c ười> ะเปิดแล้วมาแล้วก่อนนหมดนานนะ ได้ิโยมที่ได้ไปศึกษาเดินทางไกลนะนอนก็นอนไม่เต็มที่นะแต่ว่าก็เพื่อสิงตรงนี้นะจิตใจก็ผมจะเบิกบางแต็งใสนะที่ได้ม า, าทำบุญนะที่นี่เนี่ยนะก็อย่างที่เห็นนะก็เป็นวัดป่า สิ่งสำคัญนะของที่นี่คือป่าหรือต้นไม้ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างเยอะกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนบางที่มมาอยู่เมื่อสาธากปีก่อนก็มีศาลาัางเนี้นอนนั้นผู้ติก็ประมาณทั้นเจปดหลังมีไม่เยอะเท่าไหร่ตอนหลัีคนมาปฏิบัติมาก แต่ก็ยังก็จะพยายามรักษาสภาพป่าเอาไว้หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวัดนี้ท่านไม่ได้ผู้ก่อนตั้งแต่ท่านก็มาบุกเบิกว่ า, า, า, ากัาบหลวงพ่อมึงทำท่านเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ป่าเป็นความสำคัญธรรมชาติท่านบอกว่าพอท่านมาเข้าใจธรรมะเนี่ยท่านก็รักธรรมชาติมากแต่พอเห็นเนี่ยท่านต้อง ที่ว่าพร อ, อย่างนี้ท่านติตเห็นว่าธรรมะธรรมชาติมันเป็นเรือดียวกันอย่าที่ข้อความนี่นะธรรมะนี่คือตัวธรรมชาติจริงๆนะไม่ได้นอกเหนือจากธรรมชาติไปที่ไหนอาจจะสังเกตทำอาจจะบรรลุธรรมด้วยการสังเกตจากธรรมชาติก็ได้เพื่อนคนที่หลวงพ่อท่านมาปักหลักที่นี่แทนที่จะไปอยู่ในเมืองสมายที่ ท่านมาฝากหลักที่นี่ก็มีคนมา น, น้อยลำบากจากแก่งคอเนี่ยมาถึงนี่ก็สามประมาณ30มกิโไม่ใช่เวลาสองชั่วโมงชั่วโมงละสิบห้ากิโลเมตรคนก็สงสัยว่ามาอยู่ทำไมนะทำไมไม่ไปอยู่วัดใกล้ๆเมืองผมงพ่อต้้งมีงานเทศอยู่เยอะนะ้่าแต่เมื่อ30มิปีที่แล้วแต่ว่าท่านก็ ผมจะเห็นการไกลว่าต่อไปนผู้คนเนี่ยก็จะโหยหาความสงบแล้วก็ดันด้นจากที่ไกลๆเพื่อมาหาความสงบถึงแม้ว่าจะไม่สะดวกสบายก็ตามในเมืองเนี่ยชีวิตมันเต็มไปด้วยความสุดวกสบายแต่ว่าหาความสงบได้า ย, ยาก โดยเพราะความบระทึกจอแจงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะดานดนมาถึงนี่แล้วก็พบกับความสงบของธรรมชาติมันก็ไม่ได้แปลว่าติใจจะสงบตามไปด้วยเพราะถึงแม้มาอยู่ท่ามกลางาป่าที่สงบสงัดแล้ว อยู่ในชุมชนที่ผู้คนร่วมกันหรือร่วมกันอย่างราพร่นสามคัคคีไม่มีเรื่องทะ เ, า เ, าเลาะบบาะแวงอะไรให้รู้สึกรบกวดรำคาญรำรำรำรคาญใจมันก็ไม่กล่าว่าจะสงบได้บางคนมาอยู่ในป่าแล้วเนี่ยแต่ถ้ายังพฤติกรรมไม่เปลี่ยนยังเสพข้อมูลข่าวสารเปิดโทรทัศน์ เ, เ, เ, นนะวว เ, เปิดโทรศัพท์เด่นไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยมันก็ไม่สงบกันะถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะไม่มีเสียงแต่ว่าการเสดข้อมูลข่าวสารก็ทําให้ใจไม่สงบปิดโทรศัพท์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าใจจะสงบเสมอไปเพราะว่าใจฟุง้งซ่านไปนะความไม่สงบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมันไม่ได้เกิดจากเสียงดังแต่มันเกิดจาก ใจที่วางไว้ไม่ถูกใจที่ไม่มีสติใจที่รู้สึกเป็นลบ ก, กับสิ่งต่างๆที่มากระทบจริงๆเนี่ยเพีย ง, งแค่เราปรับใจให้เป็นบวกกับสิ่งที่มากระทบให้ความสงบก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะเสียงดังแต่ถ้าเราไม่รู้สึลกลบก็ไม่รู้สึลกลบ กับเสียนั้นเนี่ยเราก็จะไม่หงุดหนิดไม่รังคาว่าเราเคยไปพุทธคยานะพุทธคยาเนี่ยอาจมาไปเมื่อปีสามสี่ปีก่อนคนเยอะมากเลยผู้คนร่นหลานแล้วก็เสียงดังกึกทึ ก, ทกเพราะว่าไม่ใช่ผู้คนร้องตระ ล, ลยกันนะแต่ผู้คนสวนมดมน แต่ละคณะก็สวนมนต์เดินปัดทักสิ น, นรอบเจดีย์วุทยาลัยและวก็สวนมนต์มันไม่ใช่มีแค่คณะเดียวมีเป็นร้อยคณะทั้งไทยทั้งพมา่าทั้งลังกาบางทีก็มีลาวแล้วก็อินเดียแล้วก็ทิเบต น, นะแต่ละคณะก็ร้องสวนมนต์เสียงดังบางทีก็ใช้เครื่องขยายเสียง แต่ก็สังเกตนะเห็นมีคนเนี่ยเป็นหลายสิบคนนะนั่งกระจายรอบพุทธคยาทําสมาธิแล้วก็ดูมันจะสงบด้วยคําถามคูอเขาไม่ได้ยินเลยไอ้เสียงต่างๆเหล่านั้นธารมชาตอตาเขา ไ, ได้ยินนะแต่ว่าใจเขารู้สึกเป็นบวกกับเสียงเพราะว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสียงแห่งสัมภาเสียงแห่ง การบูชาพระรัตนตรัยมันเป็นบุญคุณเสียงดังแต่รู้สึกไม่ได้รู้สึกเป็นโร ก, กับเสียงนะั้นจิตใจก็สงบทำสมาธิได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไปอยู่ท่ามกลางตลาดตลาดนัดหรือว่าอยู่ยินทนาสุขุวิทสีลมเนี่ยเสียง ดังอย่างเดียวกันอาจจะดีซีจจะต่ำดีซีบ์อาจจะต่ากว่าเสียงที่ได้ยินที่พุทธภียอด้วยแต่คงจะนั่งสมาธิได้ลาบากเพราะว่าพออูกระทบเสียงพอเสียงกระทบหูแล้วเนี่ยนะจิตรู้สึกเป็นโรค ก, กเสียงเหลนะ่านั้นบนเวรวาดอยู่ในใจนะมันก็ไม่สงบจริงๆแล้วเนี่ยเสียงไม่ใช่ปัญหานะปัญหาที่ใจของเราที่วางไม่ถูก สมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยไปแดวนิมนต์ไปแสดงธรรมที่เฟิง์นเดดเมื่อ40ปีที่แล้วครั้งนั้นก็พาอา จ, จารย์สุนัยโทไปด้วยตอนนั้นเป็ น, ปนพระหนุ่อยู่ตอนนั้นคณะสกก็พักอยู่ที่วิหารไฮน์สเตปกราบูดอมดอตรงข้ามของวิหารเนี่ยมันเป็นถักเป็นบาร์ตอนเย็นเนี่ยก็จะมีเสียงเพลง ดังกระหมองมาแล้วทุกเย็นเนี่ย<ม>พระงพ่อช้าก็พาทุกสิทธ์นั่งสมาธิรวมทั้งชาวเปลียนเดือนมีเย็นวันนึงคงจะเป็นเย็นวันศุกร์ น, นนะเสียงดังมากเข้ามาในดังเข้ามาถึงห้องที่พระงพ่อชาพาคนนั่งสมาธิหลายคนนั่งสมาธิไม่ได้เลยห ง, งุดหงิ หลวงพ่อสมัยโทรบอกว่าเนี่ยตัวท่านเองก็เหมือนกันนั่งไม่ค่อยสงบเท่าเสียงดังก็เสียงก็ดังมีงม่น้ำซ้ําเพลงยังร้องไม่พร้อยู่ยถ้าร้องพร้อยเนี่ยังก็ยังอจัดสบได้นะแต่พวกหลวงพ่อชายท่านั่งนี่นหมือนกัไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอสแสดงธรรมจบอพอนั่งสมาธิจบเ จ, จ้าภาพชาวเกตก็มาขอโทษหลวงพ่ อ, พอ ที่เสียงดังรบกวนผมว่าชาตอบว่าโยไม่เข้าใจว่าเสียงรบกวนโยแต่ที่จริงอ่ะโยไปรบกวนเสียงทั้งหางเข้าใจไหมโยไปรบกวนเสียงหมายความว่าใจของโยเนีนะ่ไปทะเลาะ บ, บอกแย้งกับเสียงไปต่อสู้ผักสายกับเสียงนะัะโยจึงไม่สงบใจไม่สงบใจสงบเนี่ยไม่ใช่เพียงเพาไม่มีเสียง แต่เป็นเพราะว่าวางวางจิตวางใจต่อเสียงนั้นได้อยา่างถูกต้องเช่นไม่รู้สึกโลภกับเสียงนั้นมันจะดังก็ดังไปแต่ว่าใจไม่เป็นทะเลาะกับเสียงก็สงบได้หรือว่าใจรู้สึกดีกับเสียงนั้นอย่างคนที่ได้ยินเสียงส่วนคนที่พุทธคยาก็ยังสงบได้คนมักพูดว่าเนี่ยที่ใจไม่สงบเพราะว่าเสียงข้างนอกมันดังผู้คนวุ่นวายที่จริงไม่ใช่ มันเป็นพราะใจระวังไม่ไม่ถูกถ้าระวังใจถูกเนี่ยแม่จะมีคนบนดานี่ก็ไม่ได้ทุกข์อะไรที่วัดทำกล่องเพลงสมัยที่หลวงปู่พาอันนาเรโยยังมีชีดิอยู่มีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสาเป็นคนที่ปฏิบัติพระดีมากเน้นด้วย แต่ไม่ใช่เท่านั้นแม่ชีสามคนที่ตั้งใจปฏิบัติจนหลวงปู่ข่าว่าชมตอนนี้วปู่ข่าว่าสั่งให้พักสองรูกผู้สิษย์เนี่ยไปดาไปว่าแม่ชีสามั้งก็เป็นปุถิดเลยทั้งสองรูปเราก็ดาว่าที่ไดมาชีสามต้องง แต่ก็พนมมือ น, นั่งฟังอย่างสงบทั้งสองท่านด่าจนไม่รู้จะด่าอะไรนะก็เลยอนยะู่แม่ศีสาแทนที่จะโปรดก็พูดขึ้นมาว่าอัลจา์ด่าว่าดิฉันหมดแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วทราบซึงเหลือเกินทุกอย่างเป็นธรรมมากทั้งนั้นเขา น, าน้นไม่หมดมาดาม่าอะไรนะเพราะว่าจะได้มาช่วยคุณกินเล็ นะแต่ที่มัชชีสาจะโกรธแต่ที่ไม่ัชชีสาจะน้อยใจว่าเนี่ยฉันอุตสาขยันทําความเพียรดูแลพระอย่างดีสำไมครูบาอาจารย์มาว่าฉันทําไมฉันทําดีแล้วไม่ได้ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นได้ยินฉันจะไปมองหน้าเขาอย่างไรนะนี่แต่ฉันถูกด่าคนเดียวหรือไม่ถูกดา่านี่แล้วฉันจะออกหน้าไปโทษที่ไหนไม่มีคิดแบบนี้เลย แต่ถ้าแบบนี้ทุกเลยนะแต่ในอีสานไม่ทิพย์ในจีนสามบอกเออันเป็นธรรมะมันช่วยขูดกิเลยหรือพู่ภาษาสมัยใหม่คือมาช่วยลดอัดตราเนี่ยเห็นได้ไหมว่ามันเนี่ยมันที่ใจนะไอค้ความทุกข์ใจเนี่ยความทุกข์ใจมันไม่อยู่ที่สิ่งภายนอกมันอยู่ที่ใจของเรานะถ้าเราปรับทัศนคติให้ดี ก็ไม่ถูกหรือถึงแม้ว่าใจไม่ทำปั่ฐาันากติแต่ว่ามีสติเวลาใจกระเพื่อมขุนมัวโกรธโมโหมีสติรู้ทันธรรมชาติของสติเนี่ยธรรมชาติของจิตเ น, ตเนพออารมณ์แรมันถูกรู้ทันเนี่ยมันก็จะสงบด น, นถึงแม้ว่าเรายังเป็นผู้ดชมนะแต่ว่าถ้าเรามีสติ ให้ความขุ่นมัวความโกรธเนี่ยมันก็คล่องอิกจาใจรไม่ได้พอรู้จักพุบมเนี่ยมันหลุเลยนะเห็นความสมมุบเนี่ยสามารถเกิดขึ้นไะด้นะจากการที่เรามีสตินะมีเรื่องราวาสมัยหนึ่งหลงหลพบอุทธานิโยสมัยท่านยังหลง ท่านอยู่ที่อุบลท่านก็เป็ น, นธรรบานกลางเมืองเช้าตรู่ก็เห็นโยมผู้หญิคนหนึงกำลัราใส่บาตแล้วก็เดินไปข้างๆโยมนนั้นเนี่ยมีเด็กชายเป็นลูกนะอายุห้าขวบพอท่านเดินเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นก็รูกเาว่ามึงบอาแม่ท้าดอกมึงบอแม่ท้าดอกถ้าเราเป็นพระเนี่ยสึกไงผบอกว่า เดี๋ยวอห้าปวกสามหามาหลวงพ่อพรท่านฉุนนะท่านไม่พอใจแต่สักพักท่านก็ได้สติแล้วท่านก็คิดในใจว่าถูกของมันเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราก็ไม่โกรธนะพอคิดแบบนี้ปุเนี่ยความโกรธเนี่ยวูบหายไปลยแล้วท่านก็ เดินปรับบาตด้วยสีหน้าปกติไม่ใช่แค่สีหนา้าปกติใจท่านก็ปกติเลยตอนหลังท่านก็พูดถเด็กคนนี้ว่าเนี่ยคืออาจารย์ของท่านไอเด็กที่พูดจาหยาบคายสามหาเนี่ยคืออาจารย์ของท่านนั่นเห็นได้วด่าเรื่องความความสมดุลในจิตใจเนี่ยนะมันมันอยู่ที่ใจของเราเป็นสําคัญมีสติไหย นะและมีความยึดมั่นถือมั่นถือเปล่านะบางคนเหตุการณ์ผ่านไปสิบปีสิบปีแล้วก็ยังจดจำการกระทำที่ไม่ดีคาพูดที่หยาบคายหรือคาต่อว่าด่าทอของคนบางคนนึกที้รก็เจ็บปวดนึกทีไรก็แ้ง อันนี้พ่อหลายพ่อไม่มีสติพ่อทีม่มีสติเนี่ยพอจำเผิดคิดทำจะรู้ทำแทนที่จะปล่อยให้ใจใหลงไหลไปอดีตนะก็จะดึงจิตกรรมอยู่กับปัจจุบันถึงแม้จะอยู่ที่สงบสงัดแต่ว่าถ้าใจมันเผิดไปคิดถึงงานที่ยังค้าอยู่หนี่สินที่ยังไม่ได้ชําระบ้าที่ยังไม่ได้ซ่อมรถซึ่งกำจะถูกยึด โลกไม่รู้ว่าจะสอบเข้ามาวิทยายได้หรือเปล่าทุกเลยนะจิตมันว้าวุ่นดูที่สงบแต่ว่าจิตไม่สงบด้วยเพราะอะไรนะเพราะว่าฟุงา้งซ่านทุกวันที่คนแส่วนหาความสงบในจิตใจนะแต่ว่าไปต้นต้นหาที่ที่สงบสงัดลืมไปว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ใจ แล้วถ้าใจเราวางไว้ดียนะอยู่ที่ไหนก็สงบได้อา ต, ตมาวิจักาจาร์อ า, อาจารย์ที่เป็นอดีต อ, อาจารย์ตุลาท่านเกษียณไปแล้วเป็นด็อกเตอร์่านเราวาสมัยเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยไปเรียนปรยนยาเอกที่สหรัฐวันหนึ่งทางห ม, มอ่าไราก็มาทัาบทานให้ช่วยเป็นประธานพระธิเบศหมายไะไรนิมนต์พระธิเบศมา สมัยนั้นเนี่ยทรารันมะยังไม่ดงังคนหลังก็ไม่ค่อยรู้จักพระทิเบตไม่รู้ธรรมเนียมไม่รู้วิธีการปฏิบัติเห็นว่ามีคนไท ย, ยก็คงจะเข้าใจวิธีการอุปถัมภ์พระเมื่อมาติดต่ออาจารย์ท่านนี้แหะตอนนี้นไม่เป็นอาจารย์ เ, ยเป็นรรนักศึกษาพเเองท่านก็รับปากนะ แล้วก็ช่วยดูแลตลอดสามสี่วันที่พระทิเบตท น, นเนี่ยมีกิจที่หมายอะไรอยู่ใกล้ก็ประทับใจพระทิเบตท่านมีอารมณ์ขันผ่อคนคลายมีาทียรใสดีรู้สึกได้ถึงความเมตตาความสกบเย็นของท่า น, าน่าสุดท้ายเนี่ยตอนที่พระธิเบตจะ บินกลับท่านก็ถามว่าวัดของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่อินเดียนักศึกษาไทยคนนี้ก็ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยจะขอไปพักที่วัดท่านได้ไหมท่าก็ถามว่าไมอะ่ะนักศึกษาก็บอกว่ากรุงเทพไม่คม่อยสงบอยากจะหาความสงบที่วัดของท่าน ท่านตอบดีท่นบอกว่าถ้าคุณให้พาะความสมบที่กรุงเทพนะมาวัดตมาก็ไม่เจอเนกันโอเป็นคำพูดที่ทําให้ท่านได้คิดมากเลยพอเรียนจบแล้วกลับมาเมืองไทยก็เลยไม่ได้ไปที่วัด น, นั้นก็คงจะพาะความสมบที่ที่กรุงเทพหรือที่จุฬาได้นะตอนที่เกิดท่านตังการบอกว่าอะไรความสมบัติใจในที่สถานที่ เพราะนั้นถ้าให้เข้าใจท่าใจเนี่ยมันได่เข้าความสงบที่กรุงเทพเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่สงบไปที่วัดท่านก็ยังคงฟุ้งซ่านเหมือนเดิมอาจจะบ่นน่นติดนีนนน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะาการที่เราเนี่ยมาสัมผัสกกจะพัฒนาความสงบได้เนี่ยมันต้องฝึกนะฝึกใจให้มีสติมีความรู้สึกตัว สติมันทําให้รู้สึกตัวได้ไวสติมันเป็นตัวดิงจิตกรรมอยู่เป็นตัวและพอมีความสุกตัวแล้วเนี่ยนะมันเบามันสบายผู้เจ้าจับว่านเนี่ยบุคคลเมื่อมีความสึกตัวกุศลละอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ดับไป อ, ก, อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกุศลธรรมที่ยังไม่เกิ ด, กดกเกิดขึ้น บุคคลมื่อมีความสุขตัวความสุขตัวนั้นจำเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นไม่เลื่อนเรือนไม่แตาลาทานแห่งพระสัพธรรมพระศัพธรรมที่หมาถึงคุณธรรมหมถึงความเจริญมั่งมีจิดใจถ้ามีเนี่ยครองใจเนี่ยความสุขตัวเนี่ยไอ้ความทุกขนะความหมนหมองเนี่ยมันคลองใจได้ยาก อามารยมาพระชาที่ก็พูดกับคนที่มาปฏิบัติธรรมว่าวันนี้เนี่ยเขาจะกลับไปถึงบ้านแล้วคุจะดีใจที่ได้กลับบ้านแต่บอกเ้าว่าไอ้บ้านที่เ้ากลับไปเนี่ยนะมันอาจจะให้อาจจะกันแดกกันฝนได้แตจจะทำให้ ร่างกายปลอดภัยจากอันตรายเช่นตัวผู้ร้ายแต่ว่าอยู่บ้านอาจจะทุกใจได้หลายคนทุกใจเวลาอยู่บ้านาต้องทงนีมาที่วัดมองเห็นทุบก่อบ้านหลังคารั่วท่อน้ำรั่ว พื้นสุดทุกข์แลหรือบางทีทุกข์พราว่าบ้านถูกดึดหรือว่าบ้านมันไม่ดีพออยากจะขายยังขายไม่ออกทุกข์ใจอัตมาบอกว่าเนี่ยมันอยู่บ้านที่ประเสริฐกว่านั้นนะแล้วเราควหาบ้านอย่างนั้นให้เจอบ้านที่กอดได้อีก สร้างดีกรูเนี่ยนะมันแค่ถึงบ้านของกายเราควรมีบ้านของใจด้วยแล้วถ้าใจเรามีบ้านอย่างอยู่ที่ไหนก็อบคุลอยู่กลาจากบ้านที่เป็นอาคารบ้านเรือก็ไม่เหงาปลอดภยัยในทุกที่และบ้านของใจคืออะไรก็คือความรู้สึกตัวให้ใจมีความรู้สึกตัวมีนนเนาเงือนจิตใจก็จะปลอดโปร่งบาสบาย เป็นน้องสึกตัวแล้วก็ต้องมีสติเพราะสติเนี่ยจะเป็นตัวกํากับจิตให้กลับมาอยปัจจุบันได้ทําให้จิตจะมีอยู่นึกระตัวเกิด ค, ความสึกตัวขึ้นมาแล้วความสึกตัวนี่เป็นพื้นฐานการทําความดีทุกอย่างจะทําบุญให้ทางรักษาศีลเนี่ยถ้าทําด้วยความไม่สึกตัวให้ทางด้วยความไม่สึกตัวเนี่ยก็อา จ, จะโดนกินเหยครอบงทำทาไปแล้วก็ เกิดความโลภว่าอยากได้มโนอยากได้นีถวายหนึ่งอยากได้สิบถวายสิบอยากได้ร้อยถวายน้อยอยากได้ล้านนี่จามังกิเลนข้บกันนแทเที่จะทาเพื่ อ, อความตนิรักษาศีลทําไม่รู้สึกตัวนื่ก็เป็นความของตัวลุมต้น ว, ว่าฉันเป็นคนมีศีลเกิดมาหน้าทิพตีขึ้นมา แต่ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเปการให้ทานและรักษาศียมันก็จะเป็นไปเพิ่มมุ่งลดความเป็นตัวทําให้จิตเป็นมุขสนและเมื่อเราภาวนาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสงบได้ง่ายรวมทั้งเกิดปัญญาพิปัสนาหรือสมถกรรมพิปัสนากรมมฐานต้องอาศัความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมันจะหลงเข้าไปนะในความสงบติดสงบ มันจะหลงเข้าไปในไปผูกติดอยู่งนี้นิดซึ่งทำให้การปฏิบัติทําเนิ่นช้าถ้ามีความความสุขตัวเนี่ยมันจะเห็นความจริงของกายและใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องไปรักอนุจักขึ้นและตา่งพอเข้าใจแล้ว่านจิตมันปล่อยวางปล่อยวางสิ่งต่างๆก็รู้ว่ายึดติดไม่ได้ถือมั่นไม่ได้ ไม่มีความยึดติดตัวตนคนเราเพอไม่มีความยึดติดในตัวตนแล้วไม่มีความยึดอะไรว่าอะไรเป็นของเราจิตจะสบายมีอะไรมากระทบใครมาดา่าวายังไงก็เฉยเพราะว่าไม่รู้สึกว่าตัวตนถูกกระทบไอ้ที่เราโกรธกันทุกวันนี้เพราะรามันยังมีตัวตนอยู่มันยึดติดในตัวตนมากไอ้ที่เรายังเศร้าเสียใจใเวลาของหาย ถูกขโมยเพราะเรายัางยิดว่ามันเป็นของเราเป็นของเราอันนี้เพราะเรายัางมีความหลงอยู่ใจไม่มีปัญญาแต่พอเรามีปัญญาปุ๊บเนี่ยของหายก็หายแต่ของนแต่ใจไม่หายใจไม่ทุกข์ป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ทุกข์ยยิ่งถูกตาว่าด้วยยิ่งเฉยใหญ่เลยมีเรื่องเล่าน ะ, ะหลวงพ่อประสิทธิ์ทาวาโรอดีตเจ้าว่า ว่าท่านเดินปรตก่อสีชังตอนที่ท่านไปบุเบิกวัดใหมน่นี่มีปัญหามากเพราะว่านักเปลงท้องถิ่นลังควานท่านคงเย็กจะยึดที่ว่าอย่ากจะไล่พระออกไปหาทางแกล้งด่าพระ้องทีพระเดินมีท บ, บายก็มามาเดินชนแก้งมาเดินชนบาดโปนะตัวหลวงพ่อท่านบงทีเคยปกลงมนกะ็โดนชน แต่ท่านก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองนะแล้วท่านก็ไม่ท้อแท้ท่านก็อยู่ไม่ใช่เพราะหวงวัดแต่เพราะาเห็นหว่าวัดมีประโยชน์ก็อยากจะอยู่เพื่อเกื้อกูลผู้คนแนละะศาสนาวันหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านของหัวโจคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยพอเห็นหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ทีเลยนะมาถึงถึงเลยด่าท่านหลวงพ่อสิท่านได้ยิน ปกติคนเราพอถูกาเนี่ยจะทำสองอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหนึ่งคือด่ากลับสองทําหูทนลงแต่ถ้าไม่ทำสองอย่างท่านเดินก็ไปหาแล้วก็จับมือจับแขนของชายวนนั้นก็ขยับมือว่าใครมือว่าใครนั่นต่ว่ก็ด่ามือเสีก็ว่ามือเสยพูดกับใารก็ว่ามือสีท่านได้ยิงก็ยิงพูดว่าแล้วไปที่แท้ก็ด่ามือ เดี๋ยวแล้อย่าด่ากูแล้วกันแล้วก็เดินเลยไอ้หมอนแน่น ง, งเลยตัวเราพู ด, ดา่าใครวะถ้าไม่โกรธนะแต่ว่าพูดให้มันได้คิดด้วยคนที่ทําให้ได้เนี่ยนะเรียก่าตัวตนทั้งน้ำน้อยมากเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถูกด่าพุ๊บเนี่ยเสร็จตัวตนนละ้วพิเลนข้อมงงำโกรธอยากจะด่ากลับนะแต่ถ้ามัมีความสุขอยากจะด่ากลับเพียงแต่ว่าอยากจะสั่งสองนต้องก็ได้คิดนะว่าคนเราเนี่ย ถ้าเราถูกต่านี่นะมันก็เมื่อหินตกลงมาจากตึกนะเวลาหินตกลงมาจากตึกเนี่ยนะแล้วมันหินมันพุ่งมาที่เราเนี่ยเราควรทำยังไงอ่ ะ, ะเอาหน้ารับเหรอ<ะ>คนหลบใช่ไหมค<ะ>นส่วนใหญ่เวลาหินตกลมาเราคนจะหลบใช่ไหมแต่เวลาถูกต่าทําไมไม่ยอมหลบทําไมเอาตัวปูเป็นนะรับหลวงพ่อประสิทธท่านเอาท่านท่านหลบนะท่านก็บอกเออดีแล้ว ที่ดาที่ดากูที่ล้างยาดีแล้วนะที่ดามงอย่าดากูแล้วกันเนี่ยอันนี้ท่านก็คือว่าท่านหลบเนี่ยแทนที่ดาแทนที่จะรับคำด่าท่านไม่รับคำด่าท่านทั่วแล้วไปเนี่ยที่แท้ก็ด่ามึงอย่าด่ากูแล้วกันเนี่ยก็คือหลบเนี่ยคนฉลาดเนี่ยมันต้องไม่เอาคำดามเป็นไม่ต้องไม่ต้องรับคำดามเป็นของเรานะ เดินไปในสวนมะพร้าวเห็นลิงเนี่ยมันคว้างลิงเกเร่คว้างมะพร้าวมาคนฉลาดต้องหลบมันไม่ชอาหน้าแล้วไม่ชอาตัวรับแต่เวลาทํำไ้ถูกด่าเนี่ยเราชอบเอาตัวเข้าไปรับเพื่อนเขาด่าว่าเราเป็นเป็นหมูเป็นหมาเราก็รับสม่ากว่าเป็นหมูเป็นหมาแล้วเราก็โกรธผมก็ชาวว่าเวลาใครด่าเราเป็นหมูเป็นหมาเป็นหาเป็นเฮียเนี่ยนะก่อนจะด่าเขาเนี่ยคลาที่ก้นถ้ามีหาว่าถ้าไม่มีหาไม่ไปด่า แต่ว่าเพราะเราไม่เป็นอย่างที่เขาด่าแต่คนส่วนใหญ่พอถูกด่านนี่ผมรับคำดาค่าเขาไปเป็นเป้าเลยรับสม่าไอันนี้ก็เหมือนกับว่าก้อนหินตกลงมาแล้วเนี่ยแทนที่จะหล บ, ลบาาก็เอาหน้ารับลิงคว้ารูมาพลาแทนที่จะหลบก็เอาปัวรับอันนี้โง่หรฉลาดคือก็คือไอ้ทีใจทั้งนั้นแหละไอ้สุขหรือทุกข์เนี่ยนะ เอาแล้วนะอาถําเนียนะพอจะได้เป็นแง่คิดกลับไปใช้กับชีวิตประจำวัของเราบ้าง